ถ้าเขารู้สภาพที่เป็นจริงของวัตถุนั้นนะเขาจะไม่ยอมทำบาปโดยประการทั้งปวงถ้าผู้ใดเห็นรูปรขันเหมือนฟองน้ำเห็นเวทนาขันเหมือนต่อมน้าเห็นสัญญาขันเหมือนพยับแดดเห็นสังขารขันเหมือนต้นกล้วยเห็นวิญญาณขันเหมือนนักมายากลเห็นอายตนะภายในเหมือนเรือนว่างเห็นอายตนะภายนอกเหมือนโจงต้น เห็นนั้นที่ราค่าเหมือนเพชรจะาดเห็นอุปาทานขันห้าเหมือนเพชรจะาดเห็นฝั่งคือสกายะเหมือนดินแดนที่ไม่ปลอดภัยเอาเลยเขาจะทำบาปเพราะเหตุแห่งอะไรเขาทำไมเขาจะต้องไปทำบาปเพราะอาศัยสิ่งเหล่านี้ทำเพื่อประโยชน์อะไรเพื่อที่จะตอบสนองสิ่งเหล่านี้เขาก็ไม่ทำโดยประการทั้งปวงเมื่อไม่ทาโดยประการทั้งปวงเขาจึงละในสิ่งที่ควรละบางทีนั้นผู้ที่ศึกษาไม่ดีเนี่ยนะ ทำปริญญาแล้วไม่น้อมไปเพื่อละก็รู้อยู่แล้วก็ไอ้สิ่งนั้นมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างงั้นน่ะแล้วเราจะต้องไปทำอะไรอีกนี่คือคำถามที่เขาถามมาเราก็ฟังออกแล้วที่เขาบอกว่าเขารู้เนี่ยเขาได้ยินเรื่องนั้นแต่ถ้าเขารู้ที่จริงเนี่ยมันต้องน้อมไปเพื่อเพื่อละเพื่อละวิปลาสในสิ่งนั้นๆในเบื้องต้นนะไม่ต้องไปเรียไปตักกิเกลสอะไรหรอกแค่เดียว เรียกไปทําความรู้จักให้มันดีๆเถอะในสิ่งนั้นอ่ะทําไมเราต้องมานสิการว่าเที่ยงด้วยทําไมต้องมานสิการว่าสุขด้วยทําไมต้องมานสิการว่าเป็นอัตตาด้วยทั้งๆ ท, งที่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เนี่ยนะจริงๆแล้วมันไม่ใช่ด้วยเหตุผลในหลายอย่างบอกมันไม่ใช่เลยแต่ทําไมเราจึงเมาขนาดนั้นทําไมเราจึงมานศสิการที่มันเลวร้ายขนาดนั้นทางธรรมะเนี่ยท่านถือว่าการใส่ใจว่าเที่ยงใส่ใจว่าสุขใส่ใจว่ายั่ง ย, ยืนเนี่ยนะ ท่านใช้คําว่าวิปริตมนสิการท่านใช้คํานี้จริงๆเลยไหมวิปริตมนสิการแต่โดยศัพท์แปล ว, ว่าการใส่ใจที่วิปริตเลวร้ายมากเป็นความคิดที่เลวร้ายมากที่ใส่ใจว่าสังขารเที่ยงสังขารสุขสังขารนี่เป็นอัตตาหรือเราไปมีอํานาจในสังขารอนนั้นสายตาพระพุทธเจ้านะท่านบอกความคิดที่เลวร้ายมากๆเลยถามว่ามันจริงไหมล่ะถ้าเราไปสําคัญว่ามันเที่ยงแล้วมันเที่ยงไหมล่ะมันไม่เที่ยง แม้กระทั่งโดยที่สุดนั้นมียูสูตรหนึ่งบอกที่สูดทั้งหลายเธอเคยเห็นไหมว่าตัญหาเนี่ยมันเที่ยงเขาบอกโอ้เรานิชอบเพราเราชอบแล้วเคยเห็นไหมว่าความชอบอันนั้นมันยั่งยืนเ อ, อมาเนี่ยสมัยเด็กๆนะพูดตรงๆเลยนะเมื่อกี้ได้ยินพี่อีท ก, ก็บอกเฮบูบ hey, ยใช่ไหมเอามากันนึกถึงเราเลยนะโอยสมัยเด็กๆ เ, กเกนี่ยเกิดมาไอ้น้ำชนิดนี้ทำไมมันชอบโปรตานจริงๆเลยนะ โอ้ให้เราเดิมตื่นมาเด็กปลุกให้มาเดินว่าเอาชอบมากไอความชอบอันนั้นก็เลยทําให้ขาดโพชนเนมตันยุตาก็เลยซัดเข้าไปกระติกหนึ่งมันไม่ย่อยนะเพราะน้ําแข็งมันเยอะก้มเลยมากมันก็เลยอาเจียนมันก็ผ่านจมูกอ่นะขาเข้ามันดีแต่ขาออกมานะโอ้หลังจากนั้นนะัดเด็กเต็มนี่ก็จะอาเจียนไม่ได้แล้วข้างหลังมาอีกเราก็มาเอ๊คงไม่เป็นไรมันก็เลยมาเติมน้ําร้อยบอกโอ้โห กรเล่นเฮดูบอยบวกอดันร้อนเข้าไปในบอกว่าโอ้พอลนะหลังจากนั้นมาเนียโยเขาว่าพขาพาจานเอาไหมน้ำอันนี้นเขบอกโอ้ยไม่เป็นไรขอ้น้ำเปล่าก็ได้ <c oughs> <c oughs> คือตอนแรกมันมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะแต่ทอตอนหลังเข้าถ้าเรารู้อะไรบางอย่างเข้าเนี่ยนะเราจะเห็นว่าแม้แต่ความชอบใจของเราที่มีต่อสิ่งนั้นๆก็ไม่ได้ยั่งยืนอะไรอย่างของบางอย่างเลยนะอย่างสมมุติว่าไปหาของบางอย่างมาได้นะ ไอ้ตันหานี่มันดีใจมากเลยนะที่ได้สิ่งนั้นที่จะได้สมหวังสิ่งนั้นนะพอได้มาจริงๆเอาเท่าไหร่เออชอบนานอยู่ไหมดีไม่ดีลำคาหดูซ้ำไปนีมาทําอะไรเนี่ยเพราะนั้นตัวตันหาจริงๆมันก็ไม่เที่ยงมันตัวความชอบใจนะสิ่งที่เราคิดว่ามันดีมันก็ไม่ดีจริงแล้วเราก็ไม่เคยคิดอะไรความชอบใจของสิ่งเหล่านั้นเนี่ย น, นะตัวความชอบใจก็เป็นสิ่งที่เลวร้ยรายมากเป็นสมุทัยศัพ์ พระพุทธเจามองว่ายความชอบใจความเพลิดเพลินเนี่ยโตโน่พวิกาปุณะปุณปณะภพเนี่ยปุณะภาวะเนี่ยปุณณะภพเนี่ยแ ป, ปลว่าตัวที่นําเกิดในภพใหม่แต่อย่างสมมติที่เรียกว่าถ้าอีกฝ่ายหนึ่งไหมเนา ะ, ะมองเห็นอีกฝ่ายหนึ่งว่างามปั๊บเนี่ยว่าที่เด็กในคันเนี่ยได้เริ่มขึ้นแล้วก็อย่างนั้นจริงๆเพราะถ้าหากว่าเรามอางว่าเออเนี่ยโลกนี้มันสดใสยอยู่ไหยเอ้ยมนุษย์โลกนี่นาน ตรงนั้นก็น่าดูตรงนี้ก็น่าเที่ยวตรงนั้นก็น่าไปพูดีเหลือเกินเนี่ยโอ้มีความสุขมากรู้เธอว่าเท้่โลกนี้อีกนานจะต้องมาบำบงพื้นแผ่นดินต้องมาใส่ปุ๋ยให้แผ่นดินอีกนานถ้ามองว่าที่นั่นก็ยังดีที่นั่นก็ยังเจ๋ที่นี่ก็ยังน่าเพลิดเพลินนั่นก็สนุกสนุกอันนี้ก็อะไรนอันนั้นก็น่าทานอันนี้ก็น่าไปอันนั้นก็น่าเที่ยวไม่เป็นไรนะก็บำรงมหาแผ่นดินเนี่ยอีกนาน คงต้องทิ้งสรีระเอาไว้ในแผ่นดินนี้อีกหลายครั้งถูกเผาบ้างถูกฝังบ้างเพราะอะไรเพราะชื่นชมมันเหลือเกินจริงๆแล้วนะแบอบกว่าหมูสัตว์ชื่นชมสิ่งใดที่จะทนสิ่งนั้นเนี่ยเป็นไปได้ไหมไม่ได้แต่สีของสิ่งนั้นอาจจะเปลี่ยนไปแต่โดยสาระสาคัญจริ ง, รงๆก็ติดมหาพูดเพราะเบื้องหลังของทุกสิ่งก็คือมหาพูดเราใจสาคัญมหาพูดว่าสุขงามเที่ยง หรือว่าสุกเที่ยงยั่งยืนเรามีอำนาจนะเราคอนโทรลมันได้เราไม่ธรรมดานะเรามีอำนาจจัด ก, การมหาพูดได้อย่างที่บางท่านเขาก็ใช้คําว่านี้ทุกนะเขาบอกว่าเอ๊ะ e มันก็ทุกแหละแต่เขาสู้มันได้เขาว่างั้นยอมคนหนึ่งก็บอกเขาบอกเขาทุกแหละเขาแต่เขาสู้มันได้เขาว่างั้นเก่งขนาดนี้เลยหรือที่ไม่สบายแล้วก็ไม่เห็นสู้มันได้อะไรเนี่ยนะก็ยังไม่สบายอยู่ตามเดิมแล้วก็บอกว่ามันพอสู้ได้เขาว่างั้น ไอ้สู้ทุกความคายเนี่ยมันสู้ตรงไหนเขาสู้กับความตายได้หรือเขาสู้กับความเจ็บป่วยได้หรือเขาสู้พบใหม่ได้แน่จริงหรือก็ไม่เห็นมีใครชนะเลยนะโลกนี้นะเป็นคนที่สู้โลกมากเลยนะมีใครชนะโลกสักคนหนึ่งไหมเที่ยวข่าคนอื่นไปทั่วแดนพี่พในที่สุดก็ไปตายอย่างใครบ้างเจงกิสคาร์ใช่ไหมโอ้ล่ามาเรื่อยๆในที่สุดก็ตา ย, ตาย แล้ก็อะไรนะอเล็กซานเดอร์มก็โเที่ยวฆ่าเข้ามาเรื่อยก็มาตายนั้นทุกคนเนี่ยมันไม่ได้มี ใ, ใครชนะอะไรจริงๆในโลกเนี่ยแต่พื้นฐานว่าตัวความคิดของตัวเองที่ไปคิดในโลกเนี่ยใส่ใจโลกโดยวิปริตไปตัวความใส่ใจโดยวิปริตนี่ถือเป็นความเน ร, ร้ายการเจรณอนนปัสสนเจตเนี่ยเพื่อต้องการละไอความเข้าใจที่มันวิปริตซะเพื่อต้องการตัดไอความวิปริตออกไป ที่ดูแลท่าเลิกใส่ใจโดยวิปริตแตปรปรวมไปเลิกใส่ใจด้วยอำนาจความเข่าเหล่านี้ไปความเบื่อหน่ายในวตาอย่างไงมันก็ต้องมีอยู่แล้วเพราะว่าโลกนี้มันไม่ได้ดีจริงคันห้าไม่มีดีจริงดูเ<ด>หมือนดีแต่มันไม่ใช่อย่างโรงแรมเมื่อเช้านะที่เราออกมาเนี่ยนะดูดีใช่ไหมไฟนี่ดูดีเอาไหมล่ะให้เป็นเจ้าของ ถ้าคนที่เป็นนักบริหารจริงๆเนี่ยจะรู้เลยมหาภาระเข้ามาเริ่มแล้วเนี่ยนะมหาปริภูตรพัฒมหาเนี่ยนะเดือดร้อนขนาดนั้นนะจะไม่เชื่อถามคุณหลานดูนะลูกน้องสัก้าร้อยนี่เป็นยังไงเนั้นยังไง ร, รู้ไหมทำไมก่อนลูกน้องแต่ละคนมันยังมีราคะมีโทสะมีโมหะยังมีโสกปริเทวะทุกโทมนัตอุปายาทยังมีสรารภาพปัญหาเนี่ยนะ ถ้าเราป่วยเป็นโรคมะเร็งอยู่คนหนึ่งนะแล้วไปหาคนโรคมะเร็งมากรองมาเรีองมันกันเ่ยอะๆเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นมันแก้ปัญหาขึ้นไหมไม่ได้แก้ปัญหาอะไรนอกจากมันมีแต่ปัญหาทั้งนั้นแหละเชืเอ่อเพราะว่าสังขารทั้งหลายมันเป็นเช่นนี้แหละแต่ว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยก็ยังคาดหวังต่อสังขารว่ามันต้องสุขสิถึงสิ่งนี้มันไม่เที่ยงก็จริงแต่ว่ามันน่าจะดีอีกคิดว่าวันพรุ่งนี้น่าจะดีกว่าวันนี้ซึ่งถามว่าใครที่คิดอย่างนี้ ผู้การไม่เชื่อเด็ดขาดว่าพรุ่งนี้จะต้องดีกว่าวันนี้เนี่ยนะมันมีเป็นเยลเ ล, ล่าขึ้นไปกว่าวันนี้ทุกวันทุกวันถ้าใครที่จเจริญอ น, นุจักสัญญาวไว้ดีก็คืออนุจานุปัสนาผลท่าตรงๆก็คือใครที่จเจริญพวกนี้ดีคือจเจริญสติปัฏฐานนั่นแหละเพราะความคิดอันนี้เข้าใจอนุโลมต่อการแทงตลอดอริยสัจไปเรียนถามาท่านทีเมนะครับที่เชียงใหม่แต่ว่าตอนเช้าก็เลยไม่ได้แสดงละเอียดเรื่อง สันตติปิดบังอนิจจังแล้วก็อิรีบทปิดบังทุกแล้วก็ความเป็นกลุ่มก้อนปิดบังคณะสัญญาคณะสัญญาปิดบังหน้าตาใช่ไหมครับซึ่งแต่ก่อนนี้ก็เข้าใจว่าถ้าเกิดไปรู้รู้ธรรมะอย่างหนึ่งก็คือสามารถที่จะได้ทั้งการปิดบังหรือว่าเยรีบทหรือว่าคณะสัญญานะคะรับท่านการแสดงสามอย่างตรงนี้นี่ต่างกันยังไงเพราะว่าอย่าง สันตติเนี่ยไม่ได้ปิดบังทุกข์ด้วยหรือหรือว่าไม่ได้ปิดบังความแปร น, นาตาด้วยหรือคือจริงๆเนี่ยนะมันก็พูดถึงความชัดกับของแต่ละเรื่องนะเนี่เพราะว่าจริงๆมันก็คือสิ่งเดียวกันแต่ว่าเป็นการแ ย, ยกออกมาแสดงให้เห็นชัดอย่างบอกว่าอะไรนะสันตติปิดบังพาณิชยจังอย่างเช่นมหาภูตรูปของเราทั้งหลายมีสี่สมุดฐานอย่างเช่นตัวรู ป, ปรกายเลยนะ ที่เรายังแข็งแรงยังยิ้มได้ไปไหนมาไหนได้เนื่องจากเตมิมมหาพูดให้มันตลอดเหมือนรถที่มันวิ่งอยู่ได้ทุกวันเนี่ยนะเพราะใส่น้ำมันให้เตมิมเชื้อเพลิงไปตลอดร่างกายก็เหมือนกันเพิ่มอาหารให้มันตลอดนี่โดยเฉพาะส่วนอาหารนะถ้าเราตัดมือยินว่าไปสักมื้อหนึ่งเอเริ่มชักนะฮะชักวิววิวขึ้นมาแล้วใช่ไหมคงไม่มีใครตาบากแตกไปนะศีนแตกร่วงแล้วยังนะสาธุสาธุแน่นมาก จัดฝันสู้หรือเปล่าหรือว่าโสมนัสที่ได้รักษาศีลจ่าทุกขอคอยโสมนัสจังเกียรติมันไม่ยิ้มบ้างโสมนัสบ้างหรือเปล่าก็น่าจะโสมนัสนะที่ได้รักษาศีลอย่างเช่นจิตตะสมุทฐานใช่ไหมถ้าไม่ใส่ใจให้ดีเนี่ยนะเหมือนกับว่าจิตตัวนั้นแหละพาให้คนนี้มาเหมือนกับจิตตัวนั้นแหละพาคนนั้นไปที่เขาอยู่ก็อยู่ด้วยจิตดวงนั้นแหละจิตตะสมุทฐานก็เลยดูเหมือนคนนี้ปกติหมดไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไร แต่แล้วส่วนที่เป็นอุตุสมุทฐานแต่และส่วนเนี่ยนะแม้กระทั่งคุณภูมในร่างกายมันก็มีหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปวาโยธามันก็พัดอย่างเช่นเลือดเนี่ยมันก็ต้องไหลเวียนอยู่ตลอดใช่ไหมถามว่าถ้ามันเลือดไม่ไหลเวียนสักครึ่งชั่วโมงเป็นยังไงพราเกิดใหม่นานแล้วเกิดใหม่ตั้งแต่ห้านาทีแรกแล้วไม่ใช่ครึ่งชั่วโมงหรอกเพราะว่าสมองไม่ถูกเลือดไปเลี้ยงสักกี่นาทีสี่ห้านาทีนี่ก็ คุณดูินว่าไงถ้าเกินห้านาทีไปแล้วก็ไมต้องช่วยชีวิตแล้วไยไม่รู้ว่าถ้ารอดมาแล้วจะไปทําอะไรได้หมดสภาพแล้วแต่ถ้าความสืบเนื่องที่มันต่อกันอยู่อย่างนี้ทั้งกรรมมัสมุตฐานทั้งนั้นที่ทกรร ม, มาชรูปจริงๆแล้วเกิดทุกอนุขณะจิตจิตจชรูปเนี่ยที่มันเกิดขึ้นแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็ตามสมควรกับจิตนั้นๆอาหารชรูปที่มันมาเติมเนี่ยนะวิตามินสารพัดชนิดสารอาหารสารพัดอย่างเนี่ย ที่เข้ามาบำรุงก็เลยเหมือนกับเหมือนเดิมเน้นในสัน ต, ติของรูปและสัน ต, ติของนามหละสันติของสภาพจิตทั้งหลายอย่างจิตนะถ้าเราไม่พยายามคิดว่าจิตที่เกิดทางจากครทวารก็กลุ่มหนึ่งนะจิตที่เกิดทางโสตทวารก็กลุ่มหนึ่งทางคานาทวารก็กลุ่มหนึ่งชิวหาทวารก็กลุ่มหนึ่งกายทวารก็กลุ่มหนึ่งมนทวารก็อีกกลุ่มหนึ่งมองกลุ่มความคิดก่อน จิตทางจากักรคูทวานนะก็ต้องมาแยกกลุ่มอารมณ์จิตกลุ่มที่มีสีขาวเป็นอารมณ์ก็กลุ่มหนึ่งจิตกลุ่มที่มีสีแดงเป็นอารมณ์ก็กลุ่มหนึ่งมีสีเขียวก็เป็นอารมณ์ก็กลุ่มหนึ่งมีสีดำสีเหลืองสีผสมอมชมพูอะไรก็ว่าไปก็คนละกลุ่มคนละกลุ่มแล้วก็แต่ละสีนั้นก็มาแยกโดยเนี่ยอาวัชชนะนี้จกักรคูวิญ ญ, ญาณ น, นี้สัมปติชนะันน์นี้ชาวนะเป็นต้นนั่นถ้าไม่ฝึกแยกอย่างนี้นะก็เหมือนกับว่าจิตเดิม เดิมๆเนี่ยซ้ำๆอยู่นี่แหละก็เพราะไม่แยกอะ่ะเพราะไม่พยายามเป็นนักแยกเพราะว่าไม่ฝึกแยกอะไรเลยก็เลยมองทุกอย่างเหมือนเดิมความสืบต่อของจิตที่เป็นไปอย่างรวดเร็วเพราะว่าจิตเนี่ยเป็นนามธรรมที่เกิดได้อย่างรวดเร็วได้วัตถุได้อารมณ์ได้อนันตระประจัจจัยเขาก็เกิดขึ้นพร้อมทั้งสัมปยุติธรรมก็อยู่อย่างนี้ไปเรื่อยโดยที่เรียกว่าจิตเนี่ยจะว่ามันเป็นของเที่ยงมันก็เที่ยงเพราะไม่มีใครดับมันได้ เมื่ของเราต้องการจะดับจิตดับยังไงออกบอกกินยานอนหลับสิมันก็ไม่ได้ดับจิตอะไรจิตมันก็ยังอยู่เพียงแต่ดับชาวนะจิตบางกลุ่มเท่านั้นเองถ้าตายเลยไม่แน่นะปฏิสนธิเรียบร้อยแลย้วเพราะจุติเร็วเท่าไหร่ปฏิสนธิก็เร็วเท่านั้นก็เป็นปฏิสนธิจริงๆแล้วมันดับยอดมากๆเลยนะเอาอยาว่าดับจิตเลยดับความโกรธเลยเวลามันโกรธขึ้นมาเราดู้ราเห็นเนี่ย เอายังบอกแกเลิกโกรธได้เลยวพอสมควรแล้วเนี่แกโกรธมานานแล้วนั้นเลิกสัทีเถอะพอแล้วมันยาอมไหมไม่ยอมเนี่ยนะโอ้ยเหม่อมันมันต้องโกรธสิแล้วยังเรื่องบางเรื่องไม่สบายใจความไม่สบายใจดีไหมไม่ดีแต่ทําไมมันไม่สบายใจเอาไม่สบายเอาคิดจนไม่สบายใจเนี่ยย้ําคิดจนต้องเครียดว่างั้นเถอะย้ําเอามาเก็บมาคิดบ่อยๆขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นพวกนี้มันความสืบต่อมันทําให้สันติปิดบัง อนนีจังคือพยายามไม่มนัสิการว่าทุกอย่างมันมีรอต่ออยู่หมดนะทุกเรื่องมันมีรอยต่ออยู่ทุกเรื่องมันมีรอยต่ออยู่เช่นรอยต่อโดยสมุธฐานสี่ประการทั้งกรรมจิตอุตตูอาหารแล้วกลุ่มกรรมน่ะกรรมที่ทําให้มีตากับอย่างหนึ่งกลุ่มกรรมที่ทําให้มีหูมีจมูกก็คนละกลุ่มคนละกลุ่มกันเมื่อไม่พยายามแยกโดยสัน ต, ติทั้งสี่สมุธฐานเข้าในส่วนที่เป็นรูปธรรมก็ยากถ้าแยกรูปธรรมอ่อน มนัสิการโดยรอยตะเข็บของรูปธรรมอ่อนเท่าไหร่นา ม, มาธรรมก็ยิ่งจะอ่อนไปเท่านั้นอีกสันติจึงปิดบังอนิจจังคนที่ทำตีรณะปริญญามาดีโดยรูปสัตตกะารูปสัตตกะดีพวกนี้เหมือนไม่ถูกปิดบงังแล้วก็อิริยาบถปิดบังทุกข์ร่างกายของเราเนี่ยนะเนื่องจากว่าอิริยาบถสี่มันเป็นไปเนี่ยเลยเหมือนกับก็ยังสบายอยู่สบายดีไหมบอกสบายดีอยู่ ก็เพราะยังหมุนเวียนอิริยาบถให้เป็นไปได้ก็ลองดูนะส่วนใดที่มันอิริยาบถไม่ทำเลยนะเช่นจิตชาชาวายโยในส่วนนั้นไม่ทำกิจต่อไปเช่นเอาอิริยาบถเดียวตลอดเลยนะนอนอย่างเดียวให้สบายที่สุดเลยให้นอนก็นแล้วกันห้ามพลิกด้วยนะเ ก, เกียรทิศเหน่าคุณสุจินนอนทับกดหลังเต็มตัวเลยนะเกียรทิศเหนือไม่ต้องพลิกนะกดทับไว้เลย สองวันนี้ก็เริ่มมีปัญหาแล้วใช่ไหมที่จริงแนละ้วร่างกายที่ยังดูสดใสดูอะไรเนี่ยเพราะมีการหมุนเวียนเพราะมีการสลับหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะมันยังดูเหมือนว่ามันแน่นอนมันเหมือนว่ามันสบายแต่ถ้าเหมือนกับว่าจับให้มันอยู่นิ่งอย่างเดียวเลยนะอยู่อิริยาบทเดียวก็ตามอย่างไดก็ได้ไม่เชื่อก็เป็นยามดูยืนดูสักคืนเนถะขอลงสมัครยามสักคืนหนึ่งนะอะไรจะเกิดขึ้นนะนี คุณเชโมงแรกก็บอกว่าคิดผิดในแ ง, ง, งเลยนะถ้าอยู่อิรยา บ, บทเดียวเนี่ยนะก็อย่างที่หมอชีวกร์รักษาคนไข้อ่ะบอกว่าถ้าคุณนอนอิรยาบทเดียวด้เจ็ดเดือนนะฉันจะรักษาให้สบายมากหมอโอ้วันที่เจ็ดนี่เกือบตายแล้ว <c oughs> ใจอันนะมันเกือบตายแล้วก็เลยบอกเอ้าคลิกได้ไปเจ็ดวันแคนะ <c> ้ <oughs> อีกข้างหนึ่งเจ็ดเดือนอ้สบายมากแล้วเลยหมอวันที่เจ็ดอ่ะก็ตามเดิมอีกนะ <c oughs> จริงๆแล้วนี่ถ้า ทุกอย่างเลยนะไม่มีการขยับตัวโดยประการทั้งปวงไม่ขยับตัวเลยนะอะไรจะเกิดขึ้นรูปก็มีปัญหาเมื่อรูปมีปัญหาแล้วนามล่ะนามก็เริ่มมีปัญหาเถ้าเราลืมตาตลอดนะโดยที่ไม่กระพริบอะอะไรจะเกิดขึ้นก็เสียหายมากคนที่ลืมตาเจ็บวันโดยไม่กระพริบเนี่ยนะนีคือพระพุทธเจ้าซึ่งรูปของพระ อ, องค์นี่เป็นบุคคลพิเศษซึ่งทุกคนไม่ต้องไปเรียนแบบพระ อ, องค์หรอก แล้วก็อีกที่หนึ่งคือพระเจ้าอาโศกถวายเนตรแก่ที่นาคเนรมิตพระพุทธรูปเจ็ดวันพระเจ้ า, าโศกเนี่ยนะที่เป็นพระราชาเมืองนี้โบราณเนี่ยใช้สังขลิ ก, กรพันเนี่ยนะคือใช้โซ่โทองเนี่ยแขยงลงไปด้วยอํา น, นาจผู้มีบุญเนี่ยนะพญานาคก็ติดมาองค์นึงเป็นพญานาคที่อายุยืนมากก็เลยบอกว่าขอให้ท่านเนรมิตพระพุทธเจ้าหน่อยก็บอกว่าทําให้เหมือนเลยบอกข้าพเจ้าทําเหมือนไม่ได้คล้ายอ่ะพอได้ คลายๆนะแต่ว่าทําให้เหมือนทําไม่ได้ก็เลยบอกว่าเนรมิตรพระเจา้าโศกล่วงใสามากดูอยู่เจ็ดวันคือสมัยก่อนจริงๆแล้วเขาดูพระพุทธเจ้าไม่อินกันจริงๆนะอย่างที่สวนอัมพวันนะของหมอชีวกพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเนี่ยพระพิกสุอยู่เป็นพันๆรูปพระพุทธเจ้านั่งนิ่งๆไหมพระพิสุจะไม่คุยกันเพานั่งดูรูปพระพุทธเจ้าก็มีความสุขแล้วอะ่ะ มันท่าจะดูรูปดูโดยที่ไม่ดูด้วยเนี่ยนะตามดูอยู่ในเนี่ยแบบเทวรัตการเล่ยอะตามดูอยู่ในเนี่ะเพราะอะไรนะเป็นบุคคลที่มีรัศมีส่อนออกอะนะไม่มีรูปไหนที่จะงามกว่านี้อีกแล้วอะนะก็เล่นดูพระราชามาก็ไม่สนใจดูพระพุทธเจ้าอย่างเดียวพระภิกษุทั้งหลายเนี่ยสมัยพุทธกาลเป็นอย่างนั้นใครจะมาใครจะไปก็มาสิไปสินะดูพระพุทธเจ้าอะเขามีความสุขกับการดูมากเพราะพระเจ้าส่งดูพระพุทธเจ้าอยู่เจ็ดวัด ดูพระพุทธรูปในระมิดนะแม้แต่ฝรั่งที่ไปดูภาพพระวิชินาราที่พิซูโนโลนะั่งนั่งดูเป็นวันวันเหมือนกันนะพวกทาไมงามจริงๆเลยเนะงามมากแต่ว่าดูในรูปไม่เหมือนงามองค์จริงไหมทราบแต่องค์จริงเนี่ยดูงามมากความมายังดูไม่รู้สึกเบื่อเลยนะยังอยากจะไปนั่งดูแต่ว่ามันไม่สบายย่าเลยตรงนั้นแต่ว่าน่าชมมากดูแลมีความสุขเพราะว่าคนก็อยากจะไปบูชากันทั้งนั้ น, น่นะพระพุทธเจ้าก็เป็นอย่างนี้ วันก่อนที่ไปนั่งดูที่วัดพระธาตุช่อแหเนี่ยก็งามเหมือนนะเราก็อยากนั่งดูนานานก็ยังมีความสุขกับการดูภาพพระพุทธรูปคือถ้าหากว่าเราได้เห็นพระรูปที่มีกรรมเป็นสมุทฐานที่สั่งสมมาเสียสงไขยแสนกับเนี่ยจะงดงามสักเพียงใบแล้วผู้ที่มีจิตชั้นเลิศเป็นสมุทฐานมีสมาบัตทุกประเภทเป็นสมุทฐานของจิตตะชรูปของท่านมีโอชาทิปนะพระพุทธเจ้าเนี่ย าการอาหารนี่เป็นของมนุษย์จริงแต่โอชาเนี่เป็นของทิพย์ทุกคําที่พระพรบริโภสนะเทวดาแทะโอชาทิพย์เป็นไปหมดลแล้วก็จะบริโภคทุกคําทุกคําไปอย่างนี้แล้วก็เป็นคนที่เรียกว่าธาตุไฟของท่านที่มีกรรมเป็นสมุทฐานช่ําดีก็เลยเป็นผู้สุขภาพดีชั้นเยี่ยมทุกอย่างดีหมดพระรูปจะ ง, งามขนาดไหนมันเราแต่ว่าแนมะ้จากครูวิ ญ, ญญาณเราเนี่ยบุญประเภทนั้นไม่ได้ทําไห้พวกการเราเลยอดเห็นเลย ไม่ได้ทำจากคู่วิญญาณเหล่านั้นมาพอจะได้เห็นสรุปว่าย้อนกลับมาอีกครั้งว่าที่ร่างกายยังเป็นไปได้ยังดูดีว่าไม่มีปัญหาก็เนื่องจากอิริยาบทเนี่ยนเนื่องจากความหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปทีนี้ย้อนไปอีกว่าแล้วคณะสัญญาเนี่ยปิดบังอนัตตาคณะสัญญาความเป็นกลุ่มเป็นก้อนคือไม่สนใจโดยหนึ่งนะไม่แยกสัน ต, ติ ก, ก่อน ไม่พิจารณาสันตติแล้วก็ไม่พิจารณาโดยอิริยาบถไม่มีการวิเคราะห์อย่างละเอียดคือสรุปว่าไม่ได้พิจารณารูปสัตกะและรูปสัตกะมาเป็นอย่างดีเนี่ยนะหมวดเจ็ดแห่งรูปหมวดเจ็ดแห่งนามเนี่ยเมื่อไม่ใส่ใจโดยดีไม่พิจารณาโดยรอบครอบก็ยังคิดว่าตัวเองเป็นผู้มีอำนาจในสิ่งนั้นๆก็ฉันอยากคิดเรื่องอะไรฉันก็คิดได้อะเพราะฉันมีอำนาจอะ อยากจะชี้บอกใครไปทําอะไรก็ได้ฉันมีอํานาจนะแต่ถ้าวิเคราะห์ให้ละเอียดละเอียดจริงๆแล้วอ่ะไม่มีผู้ใดมีอํานาจที่แท้จริงถ้าคนที่จะแยกคณะสัญญาเนี่ยจะต้องแยกโดยสมุดฐานเป็นต้นเนี่ยจึงจะดีคือทั้งแยกโดยอิริยาบถแยกโดยสมุดฐานผู้ที่จะแยกไล่ ข, ขนาดนี้จริงๆเนี่ยนะปัจจัยนี้ต้องแม่นมากโดยเฉพาะกรมสหาชาติชาติเมื่อก่อนนี้สงสัยมากทําไมตั้งสิบห้าปัจจัย เราไม่เห็นประโยชน์เลยคุณเนื้อหาอธิบายซ้ําๆผ่านหมดพลิกเมื่อไหร่ก็ผ่านรู้ละสบายมหาพูทธหนึ่งเป็นปจัจจัยแกมหาพูทธสามวูสิสบายนามขันหนึ่งเป็นปจัจจัยแก่นามขันสองวูสบายจิตเป็นปจัจจัยแกจิตตชลูปวูผ่านรู้หมดแล้วแต่ว่าคิดว่ารู้นะแต่จริงไม่ใช่แต่ถ้าวิคเคราะห์โดยละเอียดจริงๆเนี่ยนะถ้าเราบอกว่าถ้าเรารู้จริงทําไมเราไม่พ้นทุกข์อ่ะ พ้นแเดงว่าความรู้เราในสิ่งนั้นนั้นบกพร่องไม่เพียงพอแล้วก็การใส่ใจสิ่งเหล่านี้ก็เป็นการเจริญไม่เพียงพอที่จะมันรู้หันอนิจจสัญญาจริงๆเนี่ยมันเป็นอนิจจสัญญาโดยมากโดยทั่วไปไม่ค่อยแ ย, ยบคลายสักเท่าไหร่ความแ ย, ยบคลายน้อยมากคือเนื่องจากว่าพื้นฐานในข้อมูลปริยัติเนี่อ่อนและที่สําคัญนี่เขาไม่ได้ต้องการตัดฉันนราคะจากสิ่งนั้นจริงๆ คือไม่ได้รู้สึกชิงชังต่อตาหรือเกินที่จะต้องดูนเนี่ยนะคือเบื้องลึกๆจริงๆยังไม่ได้รังเกียจขนาดนั้นการรู้สึกรังเกียจขนาดนั้นบ้างหรือยังคงใช่ยังมั้งครับอยังนะคงจ๋านะเพือน่าดูเลยแต่ก็เห็นโทษเห็นอะไรอยู่แล้วแต่ก็จริงๆแล้วน่าจะเป็นสนลึกๆหนึน่งถ้าโดยทั่วๆไปนะเมือ่อใดที่เราดูด้วยความแบบอะไรนะลืมคําสอนเมื่ อ, อไรนะ เช่นใช้สายตาดูอะไรก็ได้โดยที่ไม่เอาคําสอนมาใส่เลยนะนั่นแหละว่าเราก็ยังเพลิดเพลินกับสิ่งเหล่านี้อยู่ถ้าดูโดยที่เดี๋ยวผมไม่คิดถึงคําสอนนะดูความงดงามของอะไรก็ได้หรือดูแล้วก็สุภาพนิมิตก็ตามดูปฏิฆานิมิตอยู่ก็ตามโดยที่ไม่ใส่ใจในคําสอนก็แสดงว่าเรามียินดีในสิ่งนั้นโดยธรรมชาติแต่พอกุศลจิตเกิดขึ้นมันบอกไม่เอาละไม่ยินดี ถ้าวิเคราะห์ตามสภาวะขณะที่อกุศลเกิดขึ้นนั้นอะ่ะคือฉันทราคะที่มีต่อสิ่งนั้นแสดง ว, ว่าพื้นฐานเราก็ยังมองว่ามันดีอยู่ยังใช้ได้อยู่เพราะถ้าเราบอกว่ามันใช้ไม่ได้มันน่าเบื่อหน่ายจริงๆเนี่ยนะเขาจะปฏิบัติเหมือนบุคคลที่ไฟไหม้บนศรีรษะจริงๆนะเขาจะอึดอัดชิงชังระอาต่อจักขุกบเบื่อที่จะเห็นเนี่ยนะเบื่อจริงๆเลยที่จะต้องเห็น เดือดจริงๆจะต้องลืมตาแต่ไม่ใช่โทสะเพราะเห็นพิษภัยของจักขู่โดยการทั้งกลวงถ้าไม่มีจักขูเนี่ยนะความเลวร้ายทั้งหลายที่เกิดขึ้นเราจะเห็นไหมก็ไม่เห็นภาพที่มันเลวร้ายถ้าเราไม่มีหูเราจะได้ฟังเสียงที่เลวร้ายไหมไม่มีจมูกไม่มีลิ้นไม่มีกายไม่มีใจเนี่ยวัตตะที่มันเสียหายเดือดร้อนเหล่านั้นจะมีไหมมันก็มีไม่ได้อยู่แล้ว แต่จริงๆก็เราก็เพลิดเพลินในสิ่งเหล่านี้อยู่ผู้ที่ศึกษาพระธรรมเนี่ยไม่ได้ฟังตบละเลยทันทีถ้าทําได้ก็ดีปัญหาถ้าทําไม่ได้ล่ะก็ให้รู้ว่าอันไหนเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าผู้าศาสดาสอนเราว่าอย่างไรอัตตาของเราน่ะนะหมายว่าอกุศลของเรามันสอนว่าอย่างไงก็มาแยกดูว่าสมัครเป็นสาวกของผู้ใดแต่ปกติก็สาวกของจิตอยู่แล้วนะ ก็มาดูว่าจะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าสําเร็จหรือเปล่าเพราะถ้าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าก็เห็นอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนคือเห็นว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาผู้ที่เห็นอย่างนี้จริงๆเขาจะเจริญในสิ่งที่ควรเจริญเขาจะไม่ประมาทโดยประการทั้งปวงกฎสุรธรรมที่ควรเจริญนะเขาจะเจริญหมดเลยจะไม่ยอมประมาท ผู้ที่ปฏิบัติเพื่ออนุโลมต่ออริยสัจจริงๆเนี่ยเขาจะไม่มองธรรมะโดยส่วนเดียวเขาจึงพิจารณาจากขู่จากขู่สมุทยัยจากขูนิโรจากขูนิโรธข่ า, าไม่มีปฏิปทาทีนี้พูดถึงข้อปฏิบัติโดยเฉพาะข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อความดับจากขู่อย่างแท้จริงกุศลธรรมเนี่ยสามสิบเจ็ดในบรรดาสิ่งที่ถูกปักจจัยตรุงแต่งเนี่ยไม่มีอะไรเกินมรรคอย่างอารหัตมรรคพระพุทธเจ้านะปรุงอยู่สี่สงขัยแสนกับ นับวันพุทธภรรยามานะอรรยมรรคของภาษารีบุตรปรุงอยู่หนึ่งสอขยแสนกลับมรรคของภาณุเนี่ยปรุงอยู่แสนกับมรรคของท่านอื่นๆก็ลักษณะเดียวกันใช้เวลาปรุงมากจริงๆกุศลธรรมไม่ใช่ว่าโดยทั่วๆไปจะเจริญวันหนึ่งสองวันแล้วก็จะบริบูรเต็มเปีเป่ยมไปหมดมันจะต้องค่อยๆปรุงไปจนจนกว่าเนี่ยพูดง่ายๆว่าวมองอะไรสักอย่างแล้วคุณเจริญโพธิปักขยธรรมได้สามสิบ็ นั่นแหละจึงสมควรแก่ความพ้นทุกข์